เก้าส <Book> <98. S 3> ิบแปดอัทนโนอัเนโนสันธานซ้อนสันธานอุเบยนไว้อวยวอุเยนเวออวยการเดินทางสนุกก็จริงแต่เหนื่อยเกินไปส चांगली झ ा ल ी पन ख ข प च थ क व ण ा र ी होती स ह ल च ाะหลाช่างลีจ๋าลีปนขูปัจทักกอนารีฮุตรถไฟมาตรงเวลาก็จริงแต่คนแน่นเกินไป ट्रेन व ेดे व र होती प ี ख น प च भरलेली होती ट ् र े न व ेีนเวเดเวอร์ฮุตเลโรงแรมอยู่สบายก็จริง แต่แพงเกินไปฮ็อทเอล์อารามด้ย์ฮุตเต้ปนขูปัจมหักรเร่ฮุตเต้อทเออรามด้ย์ฮุตเตปนขูปจมหักรเเขานั่งรถเมล์หรือไม่ก็นั่งรถไฟ तो เอก र ब รบिสคิ ट ม र े न ร क น ण ักัดนาร์โตเอกทันทรีน เขามาวันนี้ตอนค่ำหรือไม่ก็พรุ่งนี้แต่เชา र, र, ้า त ต ए อก र ต ज รंอาจสัाญาการีคิมว่าอุทยาสการีเอนาอร์อา क สกว่าอุรเาขาพักอยู่กับเราหรือไม่ก็พักที่โรงแรม तो एकतर ต म च ์อัมชาสอ र ัตต์ธาริราหิลคิมว่าโฮเ तो ए อ तर आ म च ั่วอัมชา र อบัดตุรีร व ा ह ล ट ิว म ่าฮอเทลมาเราฮเธอพูดทั้งภาษาสเปนและภาษาอังกฤษทีสเปนิชบรโอบรออังกฤษु द ् ध ा बोलते तो स् โตสเปนิชบรโอบรออังกฤษีสุดถ้าบลตเธอเคยอยู่ทั้งในมาดริดและในลอนดอนทีมาดริดบรโ ลอนดอนมัธยสุด tha ราหิลียาเฮท द ม र ริดบรูบาร์ุด tha ราหิลียาเฮเธอรู้จักทั้งประเทศสเปนและประเทศอังกฤษ तिला स्पेन बरोबर इंग्ल ฤษสุด tha มาหิตาเฮตีลาสเปนบรูบาร์อังกฤษสุด tha มาหิตเเขาไม่ได้โง่เท่านั้น แต่ยังขี้เกียจอีกด้วย त ี่ภัก म ์ र ्มุรคी तर आ ทั่รอาชสุ ध ाอ ह े तो ี่ภักด์ตาหีทัอาชีสุ ध ะเเธอไม่ได้สวยเพียงอย่างเดียวแต่ยังฉลาดอีกด้วยที่ภัก सुंदर ุนดीร र นु द ् ध ि म รบุुษิมันสุ ध ाอ ह े ती ี्่ त सुंदर นา เธอไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้นแต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วยทีภักดี German บูลัดนะฮีต่อ French สุดท้าบูลเตทีภักดอ German บูลัดนะฮีต่อ French สุดทบตทฉันเล่นไม่ได้ทางเปียโนและกีตาร์ म ी पियानो व ा ज ูชักตัดน่าฮีアニกีตาร์สุดถ้าวาซูชักตीดน่าฮีมีเปียโนวาซูชักตัดน่าฮีアニกีตาร์สุดถ้าวาซูชฉันเต้นไม่ได้ทัง वॉ และ स ซมบ้ามีวอลซ์นัทส์คารाชักตัดน่าฮีアニแซมบ้านัทส์สุดถ้าคารุชักตั อันนี้สัมบ้านาทสุด tha คารุชกตน่อดิฉันไม่ชอบทางโอเปร่าและบัลเลมลอต์องอบอลเลสุด tha สาวต์นั่นอลอปร่าสาวตนั่นอนนีบเลสุด t านยิ่งคุณทางานเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสร็จเร็วขึ้นเท่านั้นตู ज ि त क्या वेगाने काम करशील त ि้มคริสชิลจิตคี र ์ลาวค์ค์ความปุโรนาคารุाักชิลทูจิตคีย์เวก ल า क र काम प ूามคุ้มครยิ่งคุณมาเร็วเท่าไหร่คุณก็จะไปได้เร็วเท่านั้น तू ज ि त क ีย์ลาวค์ค์เยชิล क ิตคีย์ลาวค์ค์ทูจ้าวุชักชิลทู ตि त แก่เหล่าเกิร์ตตุ้ดเจ๋วฉกฉิลคนเรายิ่งแก่เท่าไรก็ยิ่งเกียจครานขึ้นเท่านั้น जसे वय व ाว त जाते तस तसे म ा้ स ा च े जीवन न ि व ाเ त होत जाते जसे व ์ वाढत जाते तस तसे म ा่ स ा च े जीवन निवांत हो ัศตเ